แย่โยมาจากไหนการทีบนี้พวกเดือนทำนะเหลอมาจากไหนการทีมนี้เหลอฝึกมาแบบไหนหัดปฏิบัติไหมเยอพูดนะ <c oughs> ดี <c oughs> คือเราปฏิบัตินะวั น, นวันนี้มีเวลาน้อยนะ <c oughs> เดี๋ยวเวาพ่อต้องไปทุระข้างนอกเนี่ย <c oughs> ขอบพูดให้พวกเราฟัง แบบภาพรวมเลยจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ยากอะไรหรอกถ้าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยสติที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันจะใช้วิธีอะไรก็ได้แต่ละสำนักเหมือนกับว่ามีวิธีปฏิบัติต่างกันมากมายแต่ถ้าทำถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเหมือนกันคือเกิดสติเหมือนกันเกิดสัมมาสมาธิเหมือนกันเกิดปัญญาได้เหมือนๆกันเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลย ต่างกันแต่รูปแบบหรือเปลือกของการปฏิบัติเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรนะมันก็ไม่ถูกหมดแล้วไม่ถูกออกมาในลักษณะเดียวกันด้วยคือสิ่งที่ไม่ถูกมีสองแบบพวกหนึ่งคิดฟุ้งซ่านไปคิดธรรมะก็มีนะเอไ อ, อก็คิดเอาไอ้น่นก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างนี่คิดคิดเอาเองอีกพวกหนึ่งแบบเพ่งเอา รู้ลมหายใจนะก็เพ่งลมหายใจนะขยับมือทำจังหวะนะก็เพ่งมือนะเดินจงกรมก็เพ่งเท้าดูท้องก็เพ่งท้องนะดูอิริยาบถสี่นะี่เพ่งตัวทั้งตัวเลยเนะั้นอาการที่ออกมาก็จะเหมือนกันใจจะหนักหนั ก, นกแน่นแน่นแข็งแข็งนะถ้าเรียนะพี่ทำเราจะรู้ได้จิตที่แข็งแข็งมันลักษณะของอกุศลจิตแตนะ่ถ้าจิตที่ ถูกต้องนะมีสติมีความรู้สึกตัวจริงนะจะอ่อนโยนจะมีความเบามีความนุ่มนวล น, นะปราดเปรียวไม่ซึมไม่ทื่อคุณรู้สึกไหมเอาสติเข้าไปแช่ไว้เฉยๆทื่อๆอยู่นะัลักษณะของอภูสลจิตนะต้องระวังพวกเราพลาดตรงเราไม่ได้เรียนหลักสูตรของพระพุทธเจ้าให้ครบนะเราเรียนศีลสิกขาแล้วเราตั้งใจรักษาศีลบางคนโดดไปปัญญาสิกขาเลย ไปเจริญปัญญารู้รูปนามเลยไม่ได้เรียนจิตศิกขาถ้าไม่ได้เรียนจิตศิขขาเลยเนี่ยจะไม่รู้ลักษณะของจิตจิตชนิดไหนเป็นกุศลนนไหนเป็นอกุศลจิตชนิดไหนใช้เจริญปัญญาจิตชนิดไหนทําสมถะอะไรอางเงี้ยแยกไม่ออกนะส่วนมากจะเปเท่งเอาเวลาเดินจงกรมเคยรู้สึกไหมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าโลกนี้เหลือแต่เท้าแล้วความรู้สึกทั้งหมดรวมลงที่เท้าอันเดียว มันไม่มีการคำว่าแยกรูปแยกนามอะไรไม่มีแล้วแต่ถ้าจิตของเราเรียนไปตามลําดับเราเรียนจิตตสิกขามาแล้วเนี่ยเรารู้จักจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นสังเกตดูจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราแฉลบซ้ายแฉลปขวาตลอดแฉลบไปทางตาทางหูแฉลปไปในความคิดไหลไปไหลามาตลอด งั้นเบื้องต้นเลยก่อนที่จะไปเจริญปัญญาเนี่ยนะรู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าไหลไปทางทวารทั้งหกรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้นะใจลอยแล้วเนาะใจลอยไปแล้วไปดูนกหรือเปล่า น, นี่ยเออนะไอ้ น, นกเนี่ยนะทํากรรมฐานแตกทุกวันเลยช่วงนี้ย <c oughs> <c oughs> มันมาเต้นลาอยู่งั้นขันแรกเลยรู้สึกตัวมนะพอเราจะดูนกสังเกตมั้มใจเราวิ่งไปอยู่กับนก เวลาเราจะฟังตั้งอกตั้งใจฟังเราก็ลืมตัวเราเองอีกจิตใจเราไปอยู่กับการคิดบ้างฟังบ้างคิดบ้างจิตใจเราลืมเนื้อลืมตัวเมื่อไรจิตใจไม่ตั้งในการรู้กายรู้ใจนะเรียกว่าหลงทั้งหมดเลยสติคือความระลึกได้ไม่ใช่กําหนดนะพวกเราชอบไปแปลสติว่ากําหนดช่วงหลังอัทธกถาสอนไว้บอกว่ากําหนดเนี้ยเบื้องหลังของมันคือตัณหาสติระลึกได้ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเบื้องต้นนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไหมร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเนี่ยจิตใจของเราจะเคลื่อนไหวไปหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางใจนะหลงไปแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศ ล, ลขึ้นมาถ้าเรารู้ลักษณะจิตที่หลงไปเป็นยังไงเนี่ยทันทีที่มันหลงนะสติจะเกิดเองเรียนแล้วใช่ไหมสติมีการจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิด เพระนหน้าที่ของเราหัดทําความรู้จักสภาวะมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเพ้นสภาวะอะไรบ้างล่ะเช่นถ้าทางนมามธรรมเนี่ยความรู้สึกทางใจทั้งหลายสุขทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายเนี่ยหัดทำความรู้จักไปแท้จริงเรารู้จักอยู่แล้วนะแต่เราลาเลยอย่างโกรธเนี่ยทุกคนรู้จักว่าโกรธเป็นไงแต่ลาเลยที่จะรู้โลคเป็นยังไงก็รู้จักทุกคนนะ่ะแต่ตอนที่มันเกิดเนี่ยไม่สนใจจะดูตอนที่กิเลสเกิดน้ำมูลแต่ดูของอื่น ลืมดูจิตใจตัวเองเราก็เลยไม่เห็นสภาวะอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราจะไปดูคนที่ทําให้เราโกรธความรักเกิดขึ้นเราจะไปดูคนที่ทําให้เรารักเราลืมดูกายดูใจของเรานหน้าที่ของเราไม่มีอะไรมากหรอกคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าใจลอยไปในขณะเดียวกันรู้สึกกายก็ไม่ใช่นั่งเพ่งกายรู้สึกใจก็ไม่ใช่เพ่งใจเพ่งกายเพ่งใจทําด้วยโลภะอีกนะอยากปฏิบัติแนละ้วนั่งเพ่งไว้ รู้สึกไปง่ายๆรู้สึกไปตามธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนง่ายมากเลยนะแต่อาจารย์มักจะสอนยากพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆบอกภิกสูทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะไม่ได้ให้เพ่งไม่ได้ให้คิดให้รู้สึกตัวภิกสู่ทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้น แลกายอยู่ในอ า, าการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอ า, าการอย่างนั้นแต่อาจารย์มักจะสอนให้ทำอาการแต่พระพุทธเจ้าสอนบอกกายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอ า, าการอย่างนั้นเช่นฟังอัตมาพูดเข้าใจพยักหน้าเราพยักหน้าแบบลืมตัวแต่ถ้าเราเกิดระลึกได้โอ้เห็นความไหวขึ้นมานะระลึกได้เราจะตื่นขึ้นในฉับสันเลยเ้นง่ายๆนะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ย นี่เราไปคิดเยอะไปกลายเป็นเชื้อโรคนื้อยานะเนาะว่าไงนักถามใจรักเนี่ยไม่โนม้มใจรักเนี่ยนะเห็นแจมแจ้งอยู่แล้วนะสมมุติว่าคุณเห็นฝนตกฝนตกลงไปถูกดินเป็นฟองขึ้นมาถ้าคุณเห็นฟองน้ําเนี่ยยังไงก็เห็นใจรักใจรักต้องสแสดงตัวต้องแตกให้ดูแนะ่ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยรู้อารมณ์ปรมาทัยให้ได้แล้วอารมณ์ปรมาทัยจะแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่น้อมเอานะไตรลักษณ์ไม่ใช่เรื่องน้อมคิดเอาไม่ใช่น้อมพิจารณาดูของจริงของจริงถึงจะแสดงไตรลักษณ์เกิดขึ้นเองใช่ขอให้จิตเราตั้งมั่นนะน้อมไม่ใช่ทําให้เกิดปัญญานะความตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา โน้มเนี่ยไม่ตั้งมั่นนะไม่เอายังคิดอยู่เนี่ยคุณยังไหลอยู่ในจินตามยปัญญานะเก่งที่สุดเลยคุณได้แค่สัมมาสนญาณนะคุณขึ้นอุทยพยาญาณไม่ได้ไม่มีวิปัสนาหรอกนะแต่ถ้าคุณเห็นของจริงนะเช่นใจเราเผลอไปแป๊บเกิดระลึกได้ว่าเมื่อกี้เผลอนะมันถ้าตรงนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสนา แต่ถ้าตรงที่วิปัสสนาเกิดเองนี่นะเอเผลอไปพบเนี่ยสติเกิดเนี่มันจะเห็นตรงที่เผลอเนี่ยขาดเป็นช่องเลยนะแล้วก็ตัวที่รู้สึกเนี่ยรู้สึกขึ้นมานะเสร็จแล้วตัวที่รู้สึกเนี่จะดับลงไปอีกมีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ว่าจิตเมื่อกี้รู้สึกตัวมีช่องว่างอันหนึ่งมาขั้นมันจะเห็นการเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปแล้วมีช่องว่างอันหนึ่งขั้นเลยนะไม่โน้มหรอกใจรับมันแสดง ขอให้เห็นของจริงเหรอใจลักษแสดงเราทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะหน้าที่ของเรารู้ไปอย่างที่เขาเป็นหน้าที่ของเราสติไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้เกิดได้ปัญญาก็ไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้เกิดได้โน้หมอนี่กะว่าจะเกิดปัญญาใช่ไหมคิดว่าปัญญาเป็นของทำได้หรอทาทั้งพวงเป็นอนัตตานะคุณต้องทำเหตุของมันไม่ต้องคิดหรอกมันเห็นเอง อย่าแค่คุณรู้สึกตัวคุณรู้สึกแม้ iya. ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วเนี่ยคุณแค่รู้สึกเนี่ยมันเห็นเองไม่ต้องคิดนะว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเราไม่เป็นเลยนั้นเป็นเราเพราะว่าคิดเอาทันทีที่หลุดออกอย่างโลกของความคิดนะขันห้าไม่เป็นเราแล้วสกายะทิถีมันชื่อของความเห็นทั้งหมดเลยความคิดความเห็น น, นหน้าที่ของคุณนะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาให้ได้หลุดออกจากความคิดให้ได้แล้วสติเนี่ยนะถ้ามันเคยระลึกมันจะระลึกมันเคยระลึกรู้รูปนะพอรู้สึกตัวขึ้นมามันจะระลึกรู้รูปเลย นะเช่นเราใจลอยอยู่เราเคยรู้อิริยาบถสิพอเราใจลอยพอรู้ทันว่าใจลอยปั๊บมันจะมารู้อิริยาบถเลยนะคนไหนเคยรู้ลมหายใจเนะี่ยพอใจลอยไปนะเกิดไประลึกลมหายใจก็ก็รู้สึกตัวเลยนะมันจะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเลยนะมันจะกลับมาเองสติก็เป็นของที่บังคับให้เกิดไม่ได้นะต้องทําเหตุของเขาคือการจําสภาวะ หนะ้าที่ไม่มีอะไรมากหรอกตามรู้สภาวะเนืองๆอยู่จิตมันจําสภาวะได้จิตจําได้นะไม่ใช่เราจําได้นะเราจํากับจิตจําเนี่ยพล่านกันนะอย่างจิตจําเนี่ยนะเช่นใจเราลอยไปแล้วมันนึกขึ้นได้อ้าใจลอยเนี่ยจิตมันจําได้ทันทีที่รู้ว่าเมื่อกี้ใจลอยนะตอนนี้จะตื่นเลยนะความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นฉับพลันเลยนะอย่างตอนนี้คุณหนีไปคิดทราบไหมเออเนี่ยรู้สึกไหมมันเหมือนจะตื่นขึ้นมารู้ออกไหม ทันทีที่รู้สภาวะถูกต้องนะคุณจะตื่นขึ้นมาจิตของคุณจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยตัวสัมมาสมาธิแหละเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยถ้าสติระลึกรู้รูปนะจะเห็นทันทีรูปไม่ใช่เราสติระลึกรู้นามก็นามไม่ใช่เราเลยนะไม่ต้องคิดใช่มันจะเห็นเองมันรู้สึกเอา น, นะไม่ใช่น้อมคิดนะ คนละเรื่องเลยนะคุณต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้งั้นคุณจะเห็นสภาวะไม่ได้เมื่อคุณเห็นสภาวะไม่ได้คุณจะไม่เห็นใจรักนะเพราะว่าคุณขณะที่น้อมคิดเนี่ยจิตติหลงกับบัญญัติและแต่เพียงแต่ไปบัญญัติถึงปรมัดเท่านั้นเองนะงั้นอย่างไปนั่งคิดว่าไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเรานั่งนี้รูปนั่งนี่บัญญัติล้วนๆเลยแต่บัญญัติถึงปรมัดเนี่ยตอนนี้หลงไปอีกแล้วทราบไหม ยังไม่เลิกหลงยังอะไรอวอร์ที่จะคิดรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไปนะเนี่ยคุณจะเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไม่ได้ยากเลยนะขอให้รู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นเถอะแล้วเราจะตื่นขึ้นมาสติจระระลึกขึ้นเองไม่ใช่เจตนาระลึกสติที่เจตนาระลึกนะี่ไม่ใช่ของจริงนะเพราะเจตนาระลึกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโลภะเจตนากิเลส เป็นสหาชาติปัจจัยของกรรมของการกระทํารู้สึกไหมเราเกิดการกระทําทางใจอยากปฏิบัติก็ลงมือกําหนดโน่ น, นลงมือเอาสติแช่ไว้ตรงนี้นี่คือกรรมทั้งสิ้นเลยคือการสร้างพบทั้งสิ้นเรียกกรรมมาพบนั่นเองเพราะฉนั้นเราหลงอยู่ตลอดเลยยากนะยากที่จะตื่นแต่คิดมากยากนานอยากเอาแบบง่ายไหมทางอีสานเนี่ยนะเคยๆเคยอ่านหนังสือเซนเซนเขาชอบให้ ประโยคสั้นๆมาอาจารย์จะให้ลูกศิออกไปในีกอานนึกอะไรให้ไปพิจารณาอย่างเสียงอะไรดังที่สุดในโลกเนี่ยลูกศิษย์ไปพิจารณาหลายปีโอ้เสียงของมือข้างเดียวก็คือความเงียบนั่นเองแตทุกอย่างเกิดแล้วดับหมด เ, เห็นไสรลักษณ์ของเถราวาทเราก็มีนะทางอีสานมีนมีการหนึ่งบอกว่าถ้าอยากได้อยากทาได้ให้ถามหญิงต่าหู ต่หูคือผู้หญิงทอผ้านะอยากทำได้ให้ถามหญิงต่าหูอยากทำถูกให้ถามเด็กเลี้ยงควายนะคนหลายคนไปกินน้ำบ่อเดียวนะเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันเนี่ยถ้าฟังถ้าเข้าใจนะจะหลักของการปฏิบัติล้วนๆเลยนะคนโบราณบางทีตั้งปริศนาให้เราคิดพิจารณาผู้หญิงทอผ้าใครเคยเห็นคนทอผ้าการทอผ้าเนี่ยเขาจะรู้อยู่เฉพาะหน้าเขาเขาไม่วักแวกไปที่อื่นนะ เขาไม่ได้ไปนั่งเพ่งผ้านิ่งๆทื่อๆอยู่อย่างงี้นะสออผ้าเนี่ยมันทําอะไรอยู่ตรงหน้าเนี่ยรู้อยู่เฉพาะหน้านีรู้เอาไม่ใช่เพ่งเลยไม่ใช่ใจลอยไปที่อื่นเนยรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะงั้นสติปัฏฐานเราทำซ้ําแล้วซ้ํำอีกอยู่นะรู้อยู่เฉพาะหน้าคืออารมณ์ปัจจุบันนะรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยอยากทําถูกให้ถามเด็กเลี้ยงปวายถ้าไปถามเด็กเลี้ยงปวย่ยว่าทำกรรมาฐานทํายังไงมันจะตอบว่าไงไม่รู้ทําไม่ได้หรอก กรรมฐานไม่ได้มีไว้ทำนะวิปัสสนาเนี่ยมีหน้าที่แค่รู้รูปนามจิตใจเราแอบไปทําอะไรคอยรู้ทันนะไม่ใช่ไปคิดจะทำซ้วยพวกเราพอคิดถึงเรื่องปฏิบัติเนี่ยเราอยากทําให้ถูกหาทางใหญ่เลยว่าทํายังไงถึงจะถูกทํายังไงถึงจะถูกตลอดเวลาที่หาทางทําให้ถูกเนะี่ยมันไม่ถูกหรอกนะกรรมฐานทํายังไงก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายมันทํางานรู้สึกมัน จิตใจมันแอบไปทํางานรู้สึกมันไม่ใช่ทำซะเองนะของเราคิดแต่จะหาทางทำเอาจิตไปตั้งตรงไหนดีเนะี่ยทบถามนะจะกําหนดยังไงดีทำไมสมัยพุทธกาลเขาไม่ถามล่ะนะนะถ้าเขาถามไว้ในพระสูตรเขาต้องมีนี่ไม่มีเนะพราะสมัยโน้นเขาฟังแล้วเขาไม่คิดมากนะเขาเลยฟังเราปิ๊งปิ๊งของเราฟังเราแปลกแปลกฟังเราคิดเยอะนะ เขาฟังนะพุทธเจ้าบอกพิกส so right ูทั้งหลายให้เธอรู้สึกตัวอ่ารู้สึกตัวไม่เพือไม่ใจลอยนั่นแหละนะไม่หลงไปที่อื่นนะกายของเธออยู่ในการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นท่านบอกให้รู้ท่านไม่ได้ให้เพ่งนะของเราก็ชอบเพ่งเห็นไหมพิกสูทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวก็ต้องคิดแล้วรู้สึกตัวเป็นยังไงนะเนี่ยทํายังไงถึงจะรู้สึกตัวหรือคิดมากไหม <c oughs> รู้สึกตัวมันก็ตรงข้ามกับไม่รู้สึกตัวนั่นแหละ นะไม่รู้สึกตัวก็เผลอไปใจลอยไปเราใจลอยทั้งวันนะเดี๋ยวลอยก็ไปทางตาเดี๋ยวลอยไปทางหูเดี๋ยวลอยไปทางใจลอยไปลอยมาเรียกเลื่อนลอยความเลื่อนลอยลก็คือความไม่มีสติหนะึ่งเพราะสติคือความไม่เลื่อนลอยสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะสังเกตไหมใจเลื่อนลอยหนีไปคิดซะเยอะเลยดูออกไหม <laughs> หัดรู้สึกนะหัดรู้สึกนะถ้ารู้ทันนะท่านบอก ให้มีความรู้สึกตัวเราก็รู้สึกตัวอั น, นอย่างนี้แก้งรู้สึกแล้ะรู้สึกไหมรู้สึกเยอะไปแข็งแข็งแล้วรู้สึกไหมนะรู้ไปตามธรรมดากายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นไม่ใช่รอดูว่าเมื่อไหร่จะเมื่อยนะใจลอยแล้วนะคุณนะเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมว่าไม่เที่ยงเห็นไหมว่าบังคับไม่ได้ เห็นไหมใจรักอยู่ตรงนี้ไม่ไม่คนละเรื่องกันเลยนะกับที่คน้อมใจคิดอ่ะเคยได้ยินชื่อเจ้าคุณนอมไหมเจ้าคุณนอบอกว่าของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงถ้าเห็นสภาวะจริงๆน่ะไม่มีคำพูดยังนั่งบรรยายอยู่นี่รูปนั่งนี่พองหนอนี่พุโทโธนี่ยังคิดอยู่ของพูดได้ยังไม่ใช่ของจริงดีไปคิดสนุกไหม หันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมเห็นแต่เขาลืมตัวเองเนะก๋รู้สึกไว้ใจลอยไปนละเอาคุณนารู้สึกกลับมานะใครฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องไม่ต้องตกใจนะถ้าฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องแล้วกลุ่มใจนะรู้ว่ากลุ่มใจนะฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องฟังแลง้วงงงงรู้ว่างงนะดูซิความงงเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะ ร่วมใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูลงไปนะอยากพูดสมมติฟังไปแล้วอยากถามดูที่ความอยากถามมันปลู่ขึ้นมาตรงไหนนะเคยเรียนหัทธยารูปใช่ไหมรู้ไหมอยู่ตรงไหนอ๋อโผ่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละมันไม่ได้อยู่ในหัวใจรู้สึกไหมอาจารย์สุรวัตรเมื่อไงอาจารย์สุรวัตรเป็นไงมัง่งที่คุณธนาส่งมาให้ดูดีแล้วล่ะเลื่อนั้นนะใช้ได้แล้ว ไอ้ที่รู้กายลางๆอยู่ไม่เอ่านะใช้ไม่ได้นอะาจารย์สุรวัตรดูออกหรือยังว่าจิตของเรากับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นอันเดียวกันเนี่ย <c oughs> ที่จริงนะธรรมชาติทั้งหมดนะมันก็เป็นอันเดียวกันนั่นเองหรือเป็นรูปธปรรมนามธรรมาอยู่ทั้งหมดนั้นนะนี่ความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เราแบ่งแยกเอารูปธปรรมนามธรรมาบางส่วน หรือเอาธาตุบางส่วนออกมาเป็นตัวเราเริ่มรวบเข้ามานี้เรานะทันทีที่เกิดเรามันก็เกิดสิ่งอื่นที่นอกจากเราที่แวดล้อมอยู่ขึ้นมานี่พอมีเราขึ้นมาด้วยความหลงผิดแล้วอยากให้เราเนี่ยมีความสุขถาวรเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละวันนะจะดิ้นตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายนะตายแล้วตายอีกก็ดิ้นไม่เลิกคือจะดิ้นหาความสุขมาให้ตัวเราดิ้นให้ตัวเราพ้นจากความทุกข์ดิ้นไปเรื่อย นี่ผู้ปฏิบัติเนี่ยหันมาดูตัวเองมารู้กายรู้ใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยคือกายกับใจรูปนามนี้มารู้เรื่อยๆวันนึงแจ่มแจ้งว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกะถึงจุดหนึ่งมันจะคืนให้โลกธาตุนี้ไปเลยมันสลัดคืนออกไปมันปล่อยวางความถือมั่นในรูปในนามนะมันจะเห็นทั้งหมดเลยทั้งจิตและทั้งสภาพแวดล้อมนี่เป็นอันเดียวกันรวดเลยถ้าพูดอย่างหยาบๆนะเทียบอย่างหยาบๆคล้ายๆนี่ก็สัตว์ตัวหนึ่งนะ นี่สัตว์อีกฝูงหนึ่งเอาเข้าจริงถ้าสติปัญญาเกิดมันจะรู้นี่ก็สัตว์ฝูงเดียวกันสัตว์ฝูงเดียวกันถ้าสติปัญญาแก่กล้าไปไม่ใช่สัตว์ฝูงเดียวกันแล้วนี่คือรูปนามเหมือนเหมือนกันทั้งหมดเลยถ้าเห็นอย่างนี้จะไม่แยกออกมาถ้าแยกออกมามีเรานะมันจะดิ้นหาความสุขไปด้วยดิ้นหนีความทุกข์ไปด้วยนะวิธีดิ้นหาความสุขก็ขตามสติปัญญาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสัตว์ทั้งโลกเลย ส่วนใหญ่หรือคนทั้งหลายส่วนมากดิ้นหาอารมณ์ที่ดีอยากได้รูปสวยเสียงาะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนุ่มนวลอย่างเงี้ยหรืออยากคิดเรื่องที่เพลิดเพลิพนชอบชอบอารมณ์ที่ดีนั้นจิตเขจะหลงไปทา้งกามสุ ข, ขาริการุโยคอยากหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจหรือเป็นความปรุงแต่งไฟอคุสนเรียกว่าอากุญญาพิสังขาร อีกพวกหนึ่งเห็นว่าลําพังเที่ยวหาอารมณ์ที่ดีที่พอใจนะก็ยังไม่สุขจริงถ้าสามารถควบคุมจิตใจของเราไว้ได้ให้มันดีถาวรให้มันนิ่งถาวรเที่ยงถาวรอะไรเงี้ยมันจะดีมันจะมีความสุขพวกนี้ก็จะพยายามรักษาควบคุมกายควบคุมใจการบังคับการคอยควบคุมกายภุมใจส่วนมากนักกรรมฐานทําตรงนี้เองคอยคุมกายคุมใจตัวเองจริงๆมันคือการทําตัวเองให้ลําบาก ทันทีที่เริ่มบังคับมันก็ลำบากแล้ว อ, อึดอัดเป็นความปรุงแต่งใส่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นปรุงแต่งใส่กุศลเรียกปุญญาที่สังขารก็ได้เรียกกุศลาที่สังขารก็ได้อีกพวกหนึ่งรู้มากลาพังมีจิตใจรักษาให้ดีแนละ้วก็ยังไม่พ้นทุกข์ถ้าจิตนี้ไม่ต้องรู้อะไรเลยแล้วเจอได้มีความสุขเพราะตราบใดที่จิตยังรับอารมณ์นะกระทบแล้วมันก็อดกระเทือนไม่ได้ นะพวกนี้จะปรุงแบบที่สามเรียก อ, อาเนนชาพิสังขารหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เลยนะเข้าไปอยู่ในความว่างๆความไม่มีอะไรหรือดับความรู้สึกลงไปเพราะงั้นทางดิ้นรนของสัตว์โลกนี่มีอยู่สามทางสามช่องนี่นะดิ้นรนไปนสแสวงหาอารมณ์หลงออกข้างนอกไปดิ้นรนควบคุมตัวเองไวนะ้ดิ้นรนหลีกเลี่ยงการรับรู้อะไรทั้งหมดนะดิ้นรนอย่างนี้ มันก็ทำให้ไม่สามารถเห็นได้ว่ากายกับใจนี้จริงๆไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่ว่ามันเป็นตัวเราเราพยายามทำให้มันมีความสุขงั้นที่เราอุตส่าห์ปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายนะส่วนมากก็คือหวังว่าจะมีความสุขหวังว่ามันจะได้ดีมันจะไม่เกิดปัญญาแทงตลอดลงในกายในใจนี้ว่าไม่ใช่ตัวเรางั้นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าคุพบะไม่สุดโตงไปข้างหลงตามกิเลสไม่บังคับกดข่ม กายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถ้ารู้กายรู้สึกตัวแล้วรู้กายเนืองเนืองจะเห็นว่ากายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งวันเลยและกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกไม่ใช่ตัวเราเห็นเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะปล่อยวางความถือมั่นในกายนี้ถ้ามาเห็นจิตอ่ะเห็นจิตมันไม่เที่ยง จิตมันเกิดดับเดี๋ยวมันเกิดทางตาแล้วดับเกิดทางหูแล้วดับเกิดทางใจแล้วดับเดิมมีมิจฉาทิฏฐินะว่าจิตมีดวงเดียวตั้งแต่เด็กจนแก่จนตายตายแล้วไปเกิดอีกก็ไอดวงเก่านี่อีกนะแต่ถ้ามามีสติรู้ทันใจของเราจะเห็นเลยว่ามันเกิดทางตาแล้วก็ดับไปเกิดทางหูแล้วก็ดับเกิดทางใจแล้วก็ดับนะมันจะลกก่ความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงหรือจะเห็นเลยว่าจิตมันจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่ว จะเกิดทางทาวารไหนเนี่ยเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าเห็นซ้ําอย่างนี้ก็จะเห็นความเป็นอนัตตาของจิตถ้าเห็นอย่างนี้มันจะหมดความยึดถือว่าจิตนี้เที่ยงถาวรเป็นตัวเราวันใดที่เห็นว่าจิตเป็นของที่ไม่ใช่ตัวเรานะสกยาทิทีก็ขาดวันนั้นแหละลาพังเห็นกายไม่ใช่เราง่ายแค่คุณรู้สึกตัวคุณก็รู้แล้วว่ากายไม่ใช่เราอย่างตอนเนี้ยไม่รู้สึกตัวแล้วคิดตาม สังเกตไหมตอนที่เราคิดตามเราลืมกายลืมใจนี่นหน้าที่เรานะอย่าไปคิดเอาความคิดนั่นแหละกิดกั้นเราไว้จากธรรมะธรรมะคืออะไรรูปธรรมกนามธรรมนี้ตนะ่างหากเราธรรมะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไว้นะกายกับใจถึงจะแสดงไตรลักณ์ให้ดูอย่างพระพุทธเจ้าสอนหรือครูบาอาจารย์สอนนะบอกว่าพันห้าเป็นทุกข์เราไม่เห็นหรอกเราจะเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้าง แต่ถ้ามีสติรู้กายเห็นกายทุกตลอดวันนะเห็นจิตจิตไม่เที่ยงตลอดวันนะเห็นไตรลักตลอดนะเห็นอย่างนี้จะทราบซึงถึงใจนะนี้นักปฏิบัติที่จะเกิดปัญญาพัฒนาไปเป็นขั้นๆเนาะอาจารย์สุรวัตรเบื้องต้นก็เห็นว่าโอ้ทุกอย่างมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่ก็ยังอยากให้มันสุขอยู่นะต่อมาปัญญากล้าขึ้นมามเห็นว่าถ้าเรารักษาจิตไปได้ จิตไม่มีความอยากไม่มีความยึดเนี่ยจิตก็ไม่ทุกข์นี่คิดว่าฉลาดแล้วนะเฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปจนจิตไม่ไหลไปไหนเลยจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่างนี้ทั้งวันะวันใดที่เห็นว่าตัวจิตเองก็เป็นไตรลักษณ์ความปล่อยวางจิตก็จะเกิดขึ้นพอปล่อยวางจิตได้อันเดียวนี่นะขันห้านี่ถูกปล่อยทั้งหมดเลยเพราะว่าห่วงที่สุดก็คือจิตนั่นเองอย่างร่างกายเราเราว่าเราห่วงมากนะ เกิดมันเป็นมะเร็งที่มือเนี่ยเรียกให้หมอรีบตัดออกไปเลยนะไม่ห่วงจริงนะแต่จิตนี่นะห่วงที่สุดเลยนะว่ามันเป็นเรานะวันใดเห็นว่าจิตมันไม่ใช่เรามันเป็นไตรลักษณนะ์ปล่อยวางจิตไม่มีอะไรจะยึดถืออีกกนะารสุรวัตรก็จะไปเห็นธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ปรุงแต่งอะไรธรรมชาติที่พ้นจากขันรับใดที่ยังเป็นขันอยู่นะเป็นจิตอยู่นะก็ยังเป็นทุกข์อยู่นะ ถ้าเมื่อไรวางจิตลงไปแล้วเนี่ยถึงจะเจอธรรมชาติที่พ้นขันพ้นทุกข์จริงๆค่อยดูไปนะตอนนี้อาจารย์สุวัสด์เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าจิตนั้นอ่ะมันเป็นทุกข์อยู่โดยตัวมันเองมันไม่ใช่ตัวสุขหรอกเปรียบเทียบนะจิตนี้คล้ายๆหมาขี้เลื้อนมันคันอยู่ในตัวมันเองไม่ว่ามันจะไปกินอาหารวิเศษยังไงนะมันยังคันอยู่นมันจะวิ่งไปนอนที่ไหนนะมันก็ยังคันอยู่ จิตนี้ก็เหมือนกันนะหาอารมณ์ที่ดีวิเศษมาให้มันแค่ไหนนะมันก็ยังคันไม่อิ่มหรอกทามันไปนอนนิ่งเพ่งสมาธิทำกรรมสมาสากรรมฐานนิ่งนเือไปหาที่นอนนะเสร็จแล้วมันก็คันอีกเพราะตัวของมันเองนั่นแหละตัวทุกตัวมันเองเป็นตัวคันอยู่ในตัวของมันเองนะเหมือนหมาขี้เลือนเนาะนี่พระพุทธเจ้าท่านเทียบไว้มีหมาขี้เลือนในวัดเชตวันอยู่ตัว กลางคืนทีวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มานอนข้างกุฏิท่านนะเกเกาเกนอนสบายพักหนึ่งคันแล้วเกา ๆ, ๆแล้วก็วิ่งไปหาที่นอนใหม่หวังว่าย้ายที่เปลี่ยนอารมณ์นั่นเองถ้าเปลี่ยนอารมณ์แล้วจะมีความสุขนะไปเดี๋ยวก็คันอีกแล้ววิ่งอีกเพราะฉั้นวิ่งตลอดชีวิตเลยเพราะว่าเป็นหมาขี้เลื่อนเราดูให้ดีนะจิตเราเนี่ยหมาขี้เลื่อนตัวจริงเลย ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นว่ามันซ้ำอยู่กับที่นั้นรู้ไว้เลยนะมีอย่างเดียวท่านัคือฌานจิตคุณต้องไปเพ่งเอาไว้ไปนั่งเฝ้าไวมันก็เลยนิ่งแล้เรียนอภิธรรมแล้วพลิกตาราให้ทันนะจริงๆเกิดดับเกิดดับเร็วมากเลยนะอยากฟังอาตมาพูดใช่ไหมหูได้ยินเสียงแป๊บเดียวเข้าไปทํางานทางใจลล้อใกล้ๆกันแต่ว่าเราไม่ต้องเข้า มันจริงๆมันมีคณิกะสมาธินะอ่าไม่ได้เข้าอ่ะไม่เข้าไม่มีเข้าไม่มีออกนะจิตที่รู้สึกตัวเป็นกลางๆนะยังเข้าไปก็คือพอใจอารมณ์ภายในนะออกมาก็คืออยากได้อารมณ์ภายนอกข้างในข้างนอกไม่เท่ากันไม่รักษาไม่รักษาเราจะต้องดูให้เห็นว่าเขาเป็นของที่เรารักษาไม่ได้นะเขาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่รักษาให้ได้นะ าดูไปด้วยสังเกตไม่เบาก็ไม่เที่ยงนะดูไปอย่างนีนะ้อะไรก็ไม่เที่ยงหมดเลยจิตเนี่ยสุขแล้วก็ทุกทุกแล้วก็สุขนะดีแล้วก็ชั่วชั่วแล้วก็ดีดูไปเนี่ยหนีวิคิดลแล้วนะเนี่ยเรียกอุทัศจักนะจิตมีอุทัศจักเนี่ยอุทัศจักจักไหมของคุณอนะ่ะคลิกตำราให้ทันนะเมื่อกี้หลืมูตัวเองรู้สึกไหมจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเลยนะจิตฟุง้งซ่าน นั่นมีราคะแทรกอยู่มีโลภเรียกรูปปา ร, ราคะอรูปปา ร, ราคาะมีกิเลสนะแต่กิเลสบางจนเรานึกว่าไม่มีกิเลสงั้นคนที่เข้ามาสู่ภาวะนี้บางคนนึกว่านิพพานอยู่ตรงนี้ละเรียกนิพพา น, พนผุมนิพพานจริงๆไม่ใช่รักษาเอาไว้ไม่ใช่รักษาจิตเอาไว้นะปล่อยวางสางหากัก่ะแล้วถึงจะเจออย่างของเราที่ทําอยู่มันยังรักษาไว้ ไม่ใช่ของจริงนะยังทําด้วยโลภะหวงอยูอย่อยากให้มันดีรู้สึกไหมลองวิเคราะห์ให้ดีสิอยากให้มันดีอยากให้มันเกิดปัญญาอยากให้มันพ้นทุกอยากให้มันได้มรรคผลนิพพานสารพัดอยากเลยที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังการกระทาอยากดีก็ได้เป็นคนดีได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมไม่นิพพานหรอกคนละเรื่องกันถ้าเห็นความจริงของกายของใจถึงจะนิพพานได้ รู้จักใจลอยอยังเมื่อกี้ใจมันวิ่งไปนะ ต, ต, ต, นนตรงที่มันวิ่งไปเนี่ยนะคุณไม่ต้องส่งใจตามไปดูมันแค่แค่รู้ว่าใจเราไหลไปล้วแค่นั่นเองนะ้ำจะตื่นขึ้นมาถ้าเราตามไปดูนะ้ำมันจะไหลไปด้วยกันเลยคล้ายๆเรายือนอยู่บนน้ําบนตลิง่งนะเราเห็นน้ำไหลมาในน้ำนะํำเราดูเฉยๆนะอย่าลงน้ําไป พวกที่ว่าเอาสติเข้าไปตั้งไว้คือพวกโดดลงน้ํำไปหรือดูละครดูอยู่นอกเวทีนะอย่าโดดขึ้นไปอยู่กลางเวทีพวกที่เข้าไปแช่คือพวกที่กระโดดเข้าไปอยู่ในเวทีนะดูอะไรไม่รู้เรื่องหรอกมันจะนิ่งติดความจริงแนละ้ว่อไงเม่อไงเมื่อกี้อยากพูดเมื่อไงหลวงพ่อเออนะเออนี่จริงเรียนกับหลวงพ่อไม่ต้องถาม ธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังหรอกหลวงพ่อพูดส่งเดชแต่อย่างนั้นเองแต่หลวงพ่อพูดไปเรื่อยๆเพื่อให้พวกเราค่อยๆหัดสังเกตสภาวะของเราสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าธรรมานิดนึงนะเดี๋ยวก็ฟังธรรมาพูดหน่อย เ, ยเดี๋ยวก็หนีไปคิดอย่างเงี้ยหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยถ้าใครสติดีหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูลองพ่อหายตัวได้นะอ <c oughs> นะมีคนหนึ่งนะมานั่งหลวงพ่อสอนนะเห็นไหมจิตวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจเขเห็นจิตเกิดดับเกิดดับอยู่พักหนึ่งนะขขเขาก็เงืยหน้ามาดูหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อหายไปแป๊บหายไปเฉยๆอะ่นะวุ่นวายบอกหลวงพ่อหายตัวได้หลวงพ่อบอกคุณไปดูหมาเลยนะถ้าจิตของคุณนี้ห ม, มาก็หายตัวได้เพาอะไรรูปมันเกิดขึ้นมาแล้วรูปมันก็ดับให้ดู ทำไมรูปมันดับได้ทั้งๆ ท, ที่รูปตัวจริงมันยังไม่ได้ดับจากครูวิญญาณจิตมันดับเพราะฉะั้นถ้าสติว่องไวนะมันจะเห็นความเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับรูปก็เกิดดับนะนามก็เกิดดับไม่ต้องพูดเรื่องไตรักษไตรักไม่ใช่ของเอาไว้พูดเล่นเอาไวรา้รู้สึกเอารู้สึกเองรู้สึกได้จริงๆ ย่งรู้ไม่เป็นพอรู้ไม่เป็นแนละ้วมันเกิดความพยายามจะรู้ยามสักพักมันก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นการรู้เนี่ยถ้ารู้เป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยนะไม่ต้องไปคิดเรื่องสมถะอย่างถ้าเราดูจิตใจของเราเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะไปรู้ความว่างๆครับตัวตัวอากาสานัญายตนะจิตเนะ่ยนะตัวนี้เอาไว้ทําสมถะ เนเวลาเราดูจิตนะเราเห็นอารมณ์เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะตรงนี้เราจเจริญปัญญาอยู่ เ, เห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปหมดเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเราบังคับไม่ได้ด้วยนะดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะว่างเข้าไปเฉยๆช่วงที่จิตมันว่างแล้วไม่ทำอะไรแล้วมันจะพักอยู่จะมีสมถะขึ้นมานะแต่ถ้าหากเรายังปฏิบัติไม่เป็นนะหรือถ้าพวกรู้กายนะรู้กายทิ้งสมถะไม่ได้รู้เวทนาทิ้งสมถะไม่ได้ ก็กายและเวทนาหมอกกับสมถาญาณิกต้องแยกให้ออกนะอย่างคุณหัดรู้สึกตัวใหม่ๆเนี่ยคุณยังรู้สึกตัวไม่เป็นคุณยังพยายามรู้สึกตัวตรงที่พยายามจะรู้สึกตัวนี่เหนื่อยที่สุดเลยเพราะงั้นเหนื่อยมากทำอะไรไม่ไหวถึงบอกว่าตรงนี้ก็ทำสมถะซะพักผ่อนให้มันสบายใจแล้วค่อยมารู้ใหม่วันใดที่รู้เป็นน่าไม่เหนื่อยหรอก แต่ถามว่าแล้วทํำไหมสมถะทํานะสมถะไม่ใช่ของหน้ารังเกียจนะพวกเราที่เรียนอพธรรมบางทีเรารังเกียจสมถะเยอะไปแ้วพระพุทธเจ้าสอนนะในอาคาตุตุ ก, กาคาลวักอะไรเนี่ยท่านสอนบอกว่าทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาท่านสอนทั้งให้ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งทั้งสองอย่างสมถะเนี่ยจําเป็น จําเป็นนะสำหรับผู้ที่จะทํากายาและเวทนาสมถะเป็นประโยชน์กับทุกคนดีกรีไม่เท่ากันนะระหว่างจําเป็นกับเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าใครทําได้ก็เป็นประโยชน์ได้พักผ่อนจิตใจแช่มชื่นเบิกบานอี่ยเราตามรู้จิตอยู่วันนี้ตอนนี้ได้เวลาจะนอนจะพักผ่อนแล้วเราก็ทําความสงบพักผ่อนพอตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราก็ได้พักผ่อนร่างกายเราก็พักผ่อน สติรีบเกิดว่องไวอย่างเงี้ยถ้าฝืนไปเรื่อยนะไม่ยอมพักเลยก็ลําบากนิดนึงแต่ว่าไปได้ถ้าดูจิตนะเพราะจิตมันจะเข้าทําสมถะ ข, ของมันเองเป็นระยะๆะะในการดูจิตดังนั้นท่านถึงสอนว่าการดูจิตเนี่ยจิตตาที่ภาสนานี่นนเหมาะ ก, กับวิปัสสนาญาณิกไม่ต้องทําฌานก่อนหรอกเฝ้าดูไปเถอะแล้วฌานมันจะแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะถึงจุดสุดท้ายจิตจะรวมเข้าอัปปนารวมเอง พราเวลาที่มรรคผลเกิดเนี่ยทุกคนบนรรลุแบบเดียวกันหมดเลยนะคือบรรลุด้วยปัญญาวิมุตต์และเจตโตวิมุตต์บรรลุด้วยทั้งสมถะทั้งวิปัสนาทั้งด้วยสมาธิและปัญญาไม่ใช่บรรลุด้วยอันใดหนึ่งในขณะที่บรรลุไม่ต้องมีทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าคนนี้เอาสมถนานำหน้าแล้วมาเจริญปัญญาทีหลังทําไมพวกไหนที่เอาสมถนานำหน้าเจริญปัญญาทีหลังพวกที่จะรู้กายและเวทนา พวกนี้ใช้สมาธินําปัญญาถ้าไม่มีสมาธิพอรู้กายไม่ได้จริงอ่ะชอบไหลไปเพ่งกายรู้เวทนาไม่ได้จิตกระสับกระสายฟุ้งซ่านไปเลยมันปวดมากๆทนไม่ได้นะแต่ถ้าทนได้จิตตั้งมั่นเนี่ยจะเห็นเลยขาก็อันหนึ่งความปวดก็อันหนึ่งจิตที่ไปรู้ก็อีกอันหนึ่งไม่เกี่ยวกันเลยจะไม่ฟุ้งซ่านไ ม, ไม่กระสับกระสายเพราะฉะนั้นอย่างคนบางคนพวกเราบางคนเดินสายท่านโกเรนก้าใช้ได้นะ ทางน้นสอนเลยทำสมาธิก่อนเลยแล้วรู้เวทนานี่อย่างนี้ก็ได้แต่พวกเราที่อยู่ๆจะรู้กายนะยกมือยกเท้ารู้อิริยาบถอะไรแล้วเราลาเลยที่จะทำสมถะเนี่ยบางทีกําลังเราไม่พอเพราะว่ากายานี่มันเหมาะกับสมถายานิกพอไม่พอเนี่ยจิตมันไหลไปเพ่งเพ่งไปเพ่งไปนะนึกว่าทําวิปัสสนาอยู่เกิดอาการของสมถนะเช่นตัวเบามีปิติขึ้นมาเนี้ย เพราะฉะอย่างรูกายรู้เวทนาเนี่ยทาสมถะกอ่อนคนไหนจะรู้กายคนไหนรู้เวทนาคนไหนรู้จิตคนไหนรู้ธรรมไม่ใช่รู้ตามยถากรรมนะไม่ใช่นับถืออาจารย์องค์นี้อาจารย์องค์นี้สอนกายก็กายกับท่านด้วยท่านกายแล้วท่านได้เราอาจจะกายเราไม่ได้หรืออาจารย์องค์นี้สอนดูจิตเนฉริตเราไม่ได้เหมาะกันเราไปดูเราก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่เลือกกรรมฐานตามอาจารย์นะเราต้องเลือกกรรมฐานตามฉริตของเรา จริตในการทำมิปัสนามีสองจริตเท่านั้นไม่ใช่ราคะจริตโทวศาจริตโมหจริตในพวกนั้นนั้นจริตสําหรับสมถะจริตในการทํำมิปัสนามีสองงานเรียกว่าตัณหาจริตพวกรักสวยรักงามรักสุกรักสบายพวกโลภมากเลยนะอีกพวกหนึ่งพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากคนมีสองกลุ่มคนไหนโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกระทั่งรักความสงบเนี่ย พวนี้ติดใจในความสุขเหมือนท่านสอนให้มารู้กายรู้เวทนากายกับเวทนาจะฟ้องให้เห็นเลยไม่สุขหรอกมีแต่ทุกข์ล้วนๆหน่อยนี่ก่อนจะรู้กายและเวทนาได้ท่านสอนอีกทําสมถะก่อนจิตมีกําลังแล้วค่อยไปรู้กายจะเห็นทันทีว่ากายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีว่าเวทนาก็ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตนะเวทนาเป็นธรรมชาติตหางเนี่ยถ้ามีกําลังพอ นี่เจติติพวกหนึ่งพวกคิดมากส่วนใหญ่คนเมืองเนี่ยคือพวกคิดมากนะวันหนึ่งชอบคิดมากให้ค่าตีค่าวิภาควิจารณ์วิเคราะห์วิจัยวิจารณเลยวิบีทั้งหลายเยอะนะชอบคิดไปแตนะ่พวกเนี้ยทาําสมาธิก็ไม่ลงอยู่แล้วเพอฟุง้งซ่านอย่างพวกเราส่วนใหญ่ทําไม่ลงหรอกสมาธนะิท่านสอนบอกให้ดูเข้าไปที่จิตเลยนะดูลงไปที่จิตเลยนะจิตฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านเนี่ยไม่ต้องทําสมาธิก่อนนะ ถ้าทำสมถะก่อนมันจะไม่มีจิตฟุง้งซ่านให้ดูจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาไม่ต้องทำสมถะถ้าทำสมถะก่อนมันจะไม่มีจิตที่มีราคาให้ดูนั้นดูไปซื่อๆดูไปตรงๆพวกนี้ไม่ต้องทำสมถะก่อนดูไปแล้วสมถะเกิดทีหลังะเป็นปัญญานำสมาธิเนี่ยทางเดินมีสงสายนะเราต้องเลือกให้เหมาะกับจริตของเราถ้าเลือกไม่เหมาะจิตนะไปยากอย่างเช่นจิตของเราเป็นพวกคิดมาก เราอยากไปรู้กายรู้ลมหายใจรู้มือรู้เท้ารู้ท้องรู้กายทั้งกายนี่เราทําสมาธิไม่ได้จิตเรามันฟุ้งซ่านไม่ยอมรวมหรอกเพราะฉนั้นใจไม่ตั้งมั่นพอที่จะไปรู้กายมันจะเห็นกายชีวิตนี้เหลืออยู่อันเดียวคือไอ้ก้อนเนี้ยแยกไม่ออกคณะบัญญัติไม่แตกแต่ถ้ามีสมาธิพอที่จะเห็นก า, กายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่ง การมองแบบคณะคอละครังนอนหนูมันแตกออกจากกันค่อยๆกระจายออกฟังเรายากนะฟังเรายากเอาง่ายๆกลางคืนนอนอยู่หมาเห่าหนวกหูําคาญมันรัวน่วรําคาญนฝึกอย่างนี้นะไม่ยากเลยจะไปทํางานออกมาเจอรถติดเต็มถนนเลยหงุดหงิดรั่วหงุดหงิดเห็นเลยความหงุดหงิดมันเป็นสิ่งแปลกปลอมมาแล้วก็ไปเนะี่ยหัดรู้หัดดูของเราไปอย่างเนี้ง่ายจะตายไป คิดมากยากนานนะบอกนะไม่ต้องกลัวโง่เรียนกรรมาฐานนะนะเราไม่ได้เรียนแบบปริยัติตปริยตัติต้องเรียนแล้วจำจำจ ำ, จำไหมเรียนกรรมาฐานจริงๆไม่ต้องกลัวโง่เลยโง่ก็โง่สินะเห็นนันเดียวว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเท่นี้พอแล้วนี้จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับได้เราก็ต้องเห็นในตัวนั้นแหละตัวทุกอย่างที่ว่าน่ะนะก็คือกายกับใจเนี้ไงพอไหวไหม มีมีมคือใหม่ๆเนี่ยตอนตืต่กมันเหมือนพอมึนพอตื่นที่มาแล้วจะส ว, าว่างเฉยแต่พอตอนนี้มันเฉยเฉเฉยเฉก็รู้เฉยเฉมันหัดใหม่ๆนะมันหวือหวาเกิทั้งสมถะนะทำสมถะใหม่ๆจิตรวมทีแรกมันตกเหวเลยหล่นวูบเลยพอชำนาญขึ้นมันลงนิ่มๆ เวลารู้สึกตัวเหมือนกันรู้สึกตัวใหม่ๆหัดนะหลวงป้าไล่ๆจะสว่างพลุงขึ้นมาเลยทําไมมันมันสว่างพลุงขึ้นได้เพราะแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เคยรู้อะไรเลยเรียกว่ามืดร้อยเปอร์เซ็นต์นะพอมันสว่างขึ้นมามันเลยคอนทราสต์เยอะให้เห็นง่ายต่อมานี้เรารู้สึกตัวถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นใช่ไหมไอ้ความมืดของเราไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นตล้วเพราะฉั้นรู้สึกตัวขึ้นมามันรู้สึกนิ่มๆขึ้นมาเฉยๆมันไม่พลุดพลาดสว่างพลุงขึ้นมาอย่างแต่ก่อนอก แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้สึกนะตอนเนี้ตอนนี้หลงแล้วก็บังคับไปด้วยรู้สึกไหมดูให้ออกน้เอออย่าไปบังคับมันเห็นเห็นหลวงพ่อมีในหังือมีพูดถึงมิจฉาสติไม่ทราบว่าเป็นยังไมิจฉาสติเนี่ยบางทีพวกเราที่เรียนอภิธรรมเราจะบอกว่าไม่มีคานี้นะคำนี้อยู่ในพระไตรปิฎกมิจฉาสตสิสติทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องระลึกรู้อารมณ์่ายกุศล นะแต่ถ้าจะเป็นสัมมาสติเนี่ยจ ะ, ะระลึกรู้รูปนามนะแต่ถ้าเป็นสาธราระกุศลนี่ก็เป็นสติธรรมดาหรือว่ามิจฉาสตินะมิจฉาสติเรียกสติธรรมดานะไม่ใช่สัมมาสติแต่จะไม่เหมือนกับสมาธินะสัมมาสมาธิเนี่ยนะก็คือความตั้งมั่นในการรู้รูปนามนะถ้าสมาธิทั่วๆไปก็ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์อย่างอื่นกระทั่งอาคุศนก็ได้ จิตที่เป็นอกุศลก็มีสมาธิแต่สติเนี่อยู่กับกุศลล้วนๆเลยแต่เพียงเป็นอกุศลที่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์หรือเปล่าเป็นรูปนามหรือเปล่ปาถ้าเป็นรู้รูปนามนะก็เรียกว่าสัมมาสัมม า, มมาทั้งหลายนั่นแหละแต่ถ้าสัมมาตัวแท้เลยร้อยเอร์เซนแบบดีกรีเข้มขดฉีด น, นะรู้นิพพานเพราะฉะนั้นตัวมัคแท้ๆรู้อารมณ์นิพพานสัมมาทิฏฐิก็รู้นิพพา น, นสัมมาสติสะระลึกรู้นิพพาน สมาธิเถี่ยเข้าใจนิพพานสมา ส, สมาสมาธิตั้งมั่นในการรู้นิพพานตั้งมันม่นมันตั้งเองนะไม่ใช่จับมันตั้งจับมันตั้งเป็นโลภะต้ ว, ว่าเวลาที่บางีบางทีเนี่ย่งทสมาธินั่งทสมทแต่ว่าักจะปุอ๋เอเมันควรจะต้องทาให้ลยิ่งขึ้นหรือว่าวิธีคุณต้องรู้หลักมันมีทริป คือสมาธิเนี่ยอะไรเป็นเหตุเรียนอภิธรรมปะอะไรเป็นเหตุใกล้ของสมาธิความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธนะิเพราะงั้นถ้าคุณทำกรรมฐานด้วยความไม่สุขอนะ่ะคุณไม่สงบหรอกนะเพราะงั้นหาอารมณ์ที่พอใจที่สบายใจรู้แล้วสบายใจอะ่นะต้องเป็นอารมณ์ฝ่ายกุศลด้วยนะอารมณ์อกุศลไม่เอาอย่าถว่าคนนี้ไปนั่งเพ่งเทียนไหนอยากทกระสินเพ่งใหญ่ เพ่งเพงเ่ ง, เงนะไม่ได้กินหรอกมันอยากสงบจิตมันไม่ยอมสงบนะไปนั่งดูพระจันทร์โอ้วันนี้พระจันทร์สวยสวยนะดูพระจันทร์ไปนะมันได้กระสินนะ อ, อ่ามันสงบเองแหลนะเพราะฉะนั้นถ้าทำไปแล้วมีความสุขแล้วนะมันจะสงบง่ายถ้าทำแล้วมีความทุกข์ไนมะ่สงบหรอกของคุณมันทำด้วยมีความทุกข์คนะือคุณทำกรรมาฐานเพอจิตฟุ้งซ่านคุณไม่ชอบนะจิตมีโทสะ จิตไม่ชอบจิตมีความทุกข์นะมีโทสะอยู่โทสะมีโทมนัสอยู่เพราะงั้นวิธีทำนะก็คือรู้สบายๆเนี่ยเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุธไหมหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจนิพพสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดสอนแบบวัดปาสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจหมายถึงว่าไม่ได้จงใจจะรู้หรอกแต่จิตใจมันมีความสุขที่จะรู้ มันจะคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์นั้นโดยไม่ได้ไปบังคับมั น, มนงั้นเริ่มต้นเนี่ยอย่าไปบังคับตัวเองให้สงบนะวิธีที่คุณจะทําความสงบที่ง่ายๆนะก็คือถ้าใจฟุ้งซ่านนะดูไปซิเธอจะฟุ้งนานสักแค่ไหนอย่าหายฟุ้งนะจะขอดูนานๆแป๊บเดียวสงบเลยเหมือนเวลาเราจะนอนอ่ะนะคนไหนเป็นโรคนอนไม่หลับโอ้อยากหลับอยากหลับดิ้นไปดิ้นมานะหัวฟัดหัเวเบี่ยงไม่หลับหรอกนะอยากนอนหลับง่ายนิดเดียวเลยนะ เวลามันนอนไม่หลับนะอวันนี้บุญของเรานะเราจะทำกรรมฐานทั้งคืนเลยนะห้านาทีก็หลับแนละ้วเ <c oughs> พราะว่าอะไรเพราะว่ามันสบายใจแล้วอย่างถือว่าเวลาที่เรามาทำเราเจริญวิปนะัสสนาไปเรื่อยๆอย่างนี้บางทีทุกครั้งมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นเราอยู่ตลอดเลยคนะือ <c oughs> เรา จิตมันไม่มีกำลังพอที่จะรู้สึกตัวคุณยังไม่ได้รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะงั้นก็คือคุณข้ามบทเรียนไปบทหนึ่งคุณไม่ได้เรียนจิตสิกขาคุณข้ามไปปัญญาสิกขาเลยนะพยายามไปรู้รูปนามเลยะงั้นมันมีโลภะเจือในการรู้เพราะฉะนั้นการรู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการกระทำกรรมด้วยอำนาจวงการของโลภะในขณะที่กาลังปฏิบัติอยู่นะั้นก็เลยมีโลภะเจือตลอดสายเลย เพราะกิเลสกับกรรมเป็นสายชาติปัดใจใช่ไหมกิเลสเป็นสาชาติปัจจัยของกรรมเพราะฉะนั้นทำไม่ได้หรอกเห็นไหมอยากทําได้ให้ไปถามเด็กเลี้ยงควายคุณรู้สึกไหมสบายใจสบายใจรู้ว่าสบายใจนี่แหละปฏิบัติเสร็จแล้วเข้าใจไหมมีวิธีทํำไหยไว้ไหนดีวะยังต้องมีวะ่วยนะฟุ้งซ่านนะไม่ได้หรอก ไม่ถูกนะอยากทำถูกให้ถามเด็กเลี้ยงไหวเราชอบคิดเอาว่ากรรมฐานต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้คิดแต่จะทำเบื้องหลังการกระทำก็คืออยากจะดีอยากจะสุขนั่นเองงั้นสิ่งที่เราทำขึ้นมานะสูงที่สุดเลยก็คือปุญญาีิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีตัวจริงๆของมันก็คืออัตตะกิรมัทฐานโยกการบังคับกายบังคับใจทาให้ลาบาก แต่ถ้าการมีสติสติะระลึกขึ้นเองไม่ใช่สติสั่งให้ะระลึกอย่างเมื่อกี้คุณขำเกิดระลึกขึ้นได้ว่าขำคุณจะรู้สึกไหมจะเบาเลยไม่มีอะไรเลยใจจะโล่งว่างเลยในภาวะนั้นถ้าเกิดเนืองเนืองนะวันหนึ่งสติปัญญาแก่กล้าขึ้นในภาวะนั้นเกิดขึ้นปับ๊บนะสติะระลึกเห็นจิตขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเลยจิตไม่มีความเป็นตัวเราอยู่ในนั้นเลยความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราก็จขาดไป ใช่ใช่นะกระดู ก, กระดิกนะจะรู้สึกตัวตลอดคืนจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยนะแต่ น, นี่ก็ไม่ประหลาดอะไรหัดใหม่ๆเป็นอย่างงั้นนะแต่ต่อไปพอมันมีหน้าที่นอนนอนนะไม่มาเรามัดระวังพยายามให้มีสติไม่เอาเลยโยนทิ้งเลยมีหน้าที่นอนก็หลับไปหมดหน้าที่นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยสว่างลูงขึ้นมาเลยแต่การที่ตื่นบ่อยๆตอนกลางคืนนี่ก็ไม่แปลกมีงานวิจัยชิ้นหนึ่ง คนที่อายุห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยตื่นวันละร้อยหสิบครั้งคืนหนึ่งอะ่ะร้อยห้าสิบครั้งเป็นธรรมชาติเพราะงั้นพอแก่ๆ แ, แล้วรู้สึกทั้งคืนเลยมัแล้วบอกว่าไม่ได้หลับเลยทั้งคืนอาจจะนอนกลนครอกๆนะลูกหลานเห็นว่านอนหลับอยู่เจ้าตัวอยากรู้สึกเหมือนไม่หลับเลยัตื่นบ่อยฝึกไว้นะฝึกไว้ การที่เราฝึกจิตใจของเรามีความรู้ตื่นเบิกบานจิตใจแจ่มใสเนี่ยสมองส่วนนี้มันจะทํางานเยอะสมองส่วนนี้เลือดจะมาเลี้ยงเยอะมันจะได้ไม่เสื่อมสมองส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ให้ความรู้สึกที่ดีที่สบายใจถ้าไม่เคยให้มันทํางานนะสมองตรงนี้ปอนะเหลือแจะสมองฝ่ายชั่วนะสมองของสัตว์สมองของสัตว์ตรธรรมดาสัตว์เลื้อยคลานนะสมองมีหลายระดับ มันจะเหลือแต่สมองฝ่ายไม่ดีอย่างเรียกแก่แล้วตันหากลับเลยอเงี้ยดูครูบาอาจารย์ที่ฝึกกรรมฐานนะแก่ยังไงนะก็มีความสุขเบิกบานไม่เกลี้ยกลาดใส่ใครนะคนไม่เคยฝึกยิ่งแก่ยิ่งร้ายแบบลิงทั่วๆ่วไปอ่ะพ อ, อยังพ อ, อยังอ่ ะ, อะมีอะไรั้มชื่ออะไรลืมอีกแล้วเออสุธรรมยังบังคับอยู่นะยังไม่เลิก นี่ก็บังคับไว้นี่ใจลอยรู้ไหมเนี่ยใจลอยเมื่อกี้แวบหันไปดูเขาลืมตัวเองเ <c oughs> นี่ยตั้งท่าแลรู้ไหม <c oughs> ให้รู้ทันลงไปเลยมันเป็นยังไงรู้ไปงั้นเลยนะจิตใจได้แอบสารพัดเก็บปุงแต่งเลยเอ้าววันนี้ขอแค่นี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวหลวงพ่อมีธุระจะต้องไปข้างนอกใครไม่มีหนังสือไม่มีซีดีนะเชิญไปรับฟรีนะได้รับแล้วก็ช่วยฟังด้วย ฟังบ่อยๆดีนะฟังบ่อยๆเหมือนมาฟังหลวงพ่อพูดเราจะตื่นขึ้นมามีคนที่ฟังแล้วตื่นขึ้นมาเยอะแยะแล้วนะทันทีที่ตื่นขึ้นมาเราจะทำมิปัาสนาได้จริงๆ